ข้ออื่นก็เช่นเดียวกันอาศัยศรัทธาอาศัยปัญญาเพื่อละสมุทยัยคือละกันหาอาศัยศรัทธาอาศัยปัญญาเพื่อทําให้แจ้งนิโรธคือความดับตันหาซึ่งตัดรอดเป็นความดับทุกข์อาศัยศรัทธาและปัญญา ปฏิบัติทาภาวนาคืออบรมมรรคมนองค์แปดให้มันเกิดขึ้นก็อาศัยศรัทธาและปัญญาดังนี้ปฏิบัติในกิจของอริยสัตพ์ทั้งสีนี้ให้ก้าวหน้าไปโดยลําดับในการปฏิบัตินั้นผู้ที่ เป็นอุคติตันยูคือรู้เร็วเมื่อฟังคำสอนเรื่องอริยสัจเพียงหัวข้อก็เข้าใจได้ทันทีผู้ที่เป็นวิปจิตตันยูคือมีความรู้ที่ช้าเข้าอีกน้อยหนึ่งเมื่อฟัง อริยสัจเพียงหัวข้อและฟังอธิบายในหัวข้อก็มีความรู้ความเข้าใจบุคคลที่เป็นระยะคือพึงแนะนำได้เมื่อฟังหัวข้อฟังอธิบายแล้วผลหนึ่งก็ยัง ไม่ค่อยเข้าใจก็จะต้องฟังผลที่สองผลที่สามผลที่สี่สหลายหลายผลก็อาจจะมีความรู้ความเข้าใจได้ที่เรียกว่าเนยยะคือพึงแนะนำได้ต้องแนะนำอบรมพรับอยู่บ่อยบ่อยบุคคลส่วนใหญ่นั้น มักจะเป็นพวกที่สาบนี้คือเป็นพวกที่เรียกว่าเนยยะคือพึงแนะนำอบรมได้และคำว่าเนยยนี้เอง<ม>ก็ใช้อยู่ในคำว่าเวยเนยานิกอน ดังที่ได้กล่าวกันว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงอบรมสั่งสอนเวเนยนิกรซึ่งแปลว่ามูแหงชนที่พึงแนะนำได้ ที่พึงสอนได้และยังมีอีกคำหนึง่งในบทพระพุทธคุณว่าอุริสธรรมสารถิพระพุทธเจ้าทรงเป็นเหมือนอย่างสารถี ฝึกบุรุษบุคคลที่ควรฝึกก็คือบุรุษบุคคลที่ฝึกได้ซึ่งคำนี้ว่านัมมะบุริสะบุรุษบุคคลได้หรือเวนายนิกรหมู่แห่งชนที่พึงแนะนำได้ อบรมได้ก็หมายถึงบุคคลสามยมพวกดังกล่าวมาคือปุคติตันยูบุคคลที่รู้ได้เร็ว ว, วิปปจิตตันยูบุคคลที่รู้ได้ช้าเข้า หน่อยหนึ่งคือเมื่อยกคู่คร อ, องขึ้นแล้วก็ต้องอธิบายเนยยะบุคคลที่พึงแนะนำได้อบรมได้คือต้องพราสอนกันอยู่บ่อยๆหลายครั้งหลายหนสามจําพวกนี้เป็นปุริสธรรมะบุรุษบุคคลที่พึงฝึกที่ฝึกได้ เป็นเวเนยะหรือเวเนยนิกรหมู่แห่งชนที่พึงฝึกได้แนะนำได้อบรมได้พระพุทธเจา้าย่อมทรงสั่งสอนได้แก่บุคคลทั้งสามพวกดังกล่าวนี้และคำนี้เองก็บ่งว่า จะ ต, ต้องมีอีกพวกหนึ่งคือจำพวกที่ฝึกไม่ได้คือไม่ใช่เป็นปุริสธรร ม, มะบุรุษบุคคลที่ฝึกฝึกได้แต่ว่าเป็นบุรุษบุคคลที่ฝึกไม่ได้ดังนี้ก็มีอยู่บุคคลจำพวกที่ฝึกไม่ได้นี่เอง ก็เจนเป็นภูที่มีทิฐิมานะมากไม่ยอมรับคำสั่งสอนของพระพุทธเจา้าหรือที่เรียกว่าปะะประมะมีบทอย่างยิ่งก็คือหมายความว่าเป็นภูที่ โง่เง่ามากไม่สามารถที่จะรู้ธรรมะที่ทรงสั่งสอนได้และก็ไม้รวมไปถึงผู้ที่มีทิฏฐิมานะมากดังกล่าวนั้นด้วย จำพวกที่มีทิฏฐิมานะมากนั้นตัวยกตัวอย่างเช่นอาจารย์สนชัยของท่านพระสารีบุตรพระโมคัลานะที่เมื่อท่านพระอัฏประสาวกทั้งสองก่อนที่ท่านจะเข้าโบสถ์ท่านได้พบพระอัศจรรเทระแล้ว ท่านกลับไปชักชวนท่านอาจารย์ของท่านคืออาจารย์สนชัยท่านอาจารย์สนชัยนั้นท่านเป็นอาจารย์ใหญ่ทั้งที่ท่านก็รู้ว่าธรรมะของพูุทธเจ้านั้นน่าจะต้องจึงได้จูงใจเอาสิทธิสำคัญของท่านไปนับถือได้ ท่านจึงถามว่าในโลกนี้คนฉลาดมากหรือคนโง่ามากท่านพระอักษรสาวกทั้งสองเมื่อยังเป็นปริพาโชคท่านก็ตอบว่าคนโง่ามากท่านอาจารย์ช น, นชัยจึงได้บอกว่าทายอย่างนั้นก็ให้คนฉลาดไปหาพระพุทธเจ้าให้คนโง่ามาหาท่านก็นแล้วกันดังนี้ก็คือเป็นจำพวกที่เรียกว่า เป็นบุคคลผู้ฝึกไม่ได้เพราะมีทิฏฐิมานะมากเนี่ยตลอดจนถึงผู้ที่โง่เง่าจนเกินไปก็รวมอยู่ในคขมัประมะอันเป็นยมพวกที่สี่เพราะฉะนั้นกิจในอดัต ท, ทั้งสีน่นี้จึงเป็นข้อที่ทุกคนจะพึงปฏิบัติตั้งแต่เบื้องต้นเดยกันทางนั้น และการปฏิบัติในพุทธศาสนาทั้งสิ้นก็รวมเข้าในการปฏิบัติกิจทั้งสีน่นี้คือกำหนดรู้จักทุกข์ละสมุ ท, ทยัยทำให้แจ้งนิโรธปฏิบัติอบรมในมัดในองแปดซึ่งย่นเข้ากันในศีลสมาธิปัญญาเพราะฉะนั้นอริยสัจ ท, ทั้งสี่นี้จึงเป็นธรรมะสำคัญที่ควรจะต้องฟังบ่อยๆต้องพินิษพิจารณากันบ่อยๆ เนีเป็นที่รวบรวมธรรมะทั้งสิ้นก็รวมอยู่ในอริยสัจ ท, ทั้งสนี้กุศลธรรมทั้งสิ้นก็รวมเข้าในความรู้ในอริยสัจ ท, ทั้งสี่นี้ <c oughs> ต่อจากนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไปบัดนี้จกักจงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติ อบรมจิตในเบื้องตน้นก็ขอให้ทุกๆ ท, ท่านตั้งใจนอบน้อมนมั ส, สการพระภูมิพระภาตรอรหันตสมาสุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรม และประสงค์เป็นสรณะดั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นสีรทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมได้แสดงท่านประสาิบุตร อธิบายสมมาทิฏฐิความเห็นชอบในขั้นที่อธิบายนี้ก็คือรู้ในอริยสัจทั้งสี่รู้จักทุก์รู้จักเหตุเกิดทุก รู้จักความดับทุกข์รู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์และได้แสดงกิจในอริยสัจทั้งสี่คือทรรมปริญญาความรู้รอบขอบกำหนดรู้ในทุกข์ ร, รมประหานะ การละสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ทำสติกรณะกระทำให้แจ้งความรับทุกข์ทำภาวนาอบรมปฏิบัติมักมีองค์แปดให้มีขึ้นให้เป็นขึ้นมาและเป็นข้อปฏิบัติ ที่พึงปฏิบัติตั้งแต่เบื้องต้นการปฏิบัติพุทธาศาสนาก็ปฏิบัติในกิจสีอย่างนี้ในอริยสัจนั่นเองดังที่ได้กล่าวมาแล้วเพราะฉะนั้น ในเบื้องตน้นครูปฏิบัติธรรมะก็พึ่งศึกษาสะดับรับฟังว่าทุกข์คืออะไรตามที่ตัดไว้ว่าชาติความเกิดเป็นทุกข์เป็นตน้นและเมื่อสรุปเข้า พันเป็นที่ยึดถือละห้าประการเป็นทุก์ดังนี้กำหนดพิจารณาให้มีความรู้ความเข้าใจและสำหรับข้อข้างต้นข้างต้น ก็พิจารณาเห็นได้โดยไม่ยากนักส่วนข้อที่ว่าขันเป็นที่ยึดถือตั้งห้าประการเป็นทุกข์โดยย่อก็ต้องทำความเข้าใจ ว่าขันคือกองทั้งห้ารูปประขันก็คือรูปประกายอันประกอบริธาตุดินน้ำไฟลมนี้เวทนาขันกองเวทนาก็ได้แก่ความรูปเป็นสุขเป็นทุกข์ เป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขทั้งทางกายทั้งทางใจสัญญาขัน์ก็คือกองแห่งสัญญาความจำได้หมายรู้เป็นต้นว่าจำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสจำาำผลสัพพะสิ่งที่กายถูกต้องจำธรรมะคือเรื่องราว คิดหรือที่รู้ทางมนโนคือใจสังขารขันกองสังขารก็คือความคิดปรุงหรือความปรุงคิดต่างๆในรูปนานในในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในผลทพะและในธรรมะคือเรื่องราว ที่จำได้วิญญาณขันกองวิญญาณคือความรู้เห็นรูปทางตาความรู้ได้ยินเสียงทางหูความรู้ทราบกลิ่นรสผลทพะทางจมกูกทางลิ้นทางกาย และความรู้เรื่องที่คิดหรือที่นึกที่รู้ท้งมโนคือใจรูปก็เป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรวมเรียกวันนามรูปนามแต่เรียกกลับเป็นเสวนานา ม, มารูปขันเป็นที่ยึดถือตั้งห้าประการเหล่านี้ เป็นทุกข์ก็เพราะยึดถือจึงเป็นทุกข์ถ้าไม่ยึดถือขันทั้งห้านี้ก็เป็นสภาพธรรมดาซึ่งมีชาติคือความเกิดเป็นเบื้องต้น มีชราความเก่าตลอดจนถึงชำรุดสุดโทรมโดยลําดับและมีมรณะความตายเป็นที่ก็เป็นสภาวะเป็นธรรมดาเมื่อบุคคลไม่ยึดถือ ขันทั้งห้านี้ก็เป็นไปตามสภาพธรรมดาเกิดแก่ตายหรือเกิดแก่เจ็บตายแต่เมื่อ บ, บุคคลไปยึดถือเพราะมีตัณหาคือความริโนทยานยากเป็นเหตุบรใจัยให้ยึดถือ ว่าเป็นของเราเราเป็นเป็นอัตตาตัวตนของเราบุคคลโดยตรงคือจิตใจจึงต้องเป็นทุกข์มีต้องมีโศก มีปริเทวะเป็นต้นซึ่งรวมเข้าก็เป็นสองคือประจวบกับสิ่งหรือสัตว์สังขารที่ไม่เป็นที่รักผลัดพลาดจากสิ่งหรือสัตว์สังขารซึ่งเป็นที่รักย่อเข้าอีกก็เป็นหนึ่งคือปรารถนาไม่ได้สมหวัง และทั้งหมดนี้ก็สรุปเข้าย่อเข้าในขันเป็นที่ยึดถือตั้งห้าประการเหล่านี้นั่นแหละเพราะฉะนั้นจึงมีความสำคัญ อยู่ที่ความยึดถือยึดถือว่าเอตังมะมะนี่เป็นของเราเอโซหมามัสสมิเราเป็นนี่เอโสเมอัตตาเอโสเมอัตตานี่เป็นอัตตาโดดเดนของเราที่ยึดถือก็เพราะมีตันหาความอยากความลิ้นดนความทะยันอยาก ของจิตใจเพราะฉะนั้นจึงศึกษาให้รู้จักวัตตนานี้เป็นตัวสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์นอกจากให้เกิดทุกข์ทางจิตใจมีโสกะปริเทวะเป็นต้นดังกล่าว ยังเป็นเหตุก่อภพชาติต่อไปต้องเวียนไหวตายเกิดต่อไปความเวียนไหวตายเกิดต่อไปนั้นเรียกว่าสังสารหรือสงสารอันแปลว่าความท่องเที่ยวไป แต่ความท่องเที่ยวไปนั่นก็ท่องเที่ยวไปโดยอาการที่เป็นวัตตะอันแปลว่าวนวัตตะคือวนนั่นก็พูดกันง่ายๆว่าเวียนเกิดเวียนตาย รูเวียนเกิดแก่เจ็บตายคือเมื่อเกิดก็แก่ก็เจ็บก็ตายตา ย, ตายแล้วก็เกิดก็แก่ก็เจ็บแล้วก็ตายตายแล้วก็เกิดก็เวียนอยู่ดังนี้ความเวียนอยู่ดังนี้ เรียกว่าวัตตะคือความวนหรือความเวียนซึ่งพูดกันเข้าใจง่ายๆแต่เมื่อจะแสดงถึงวัตตะคือความวนตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ก็มีสามอย่างคือกิเลสวัตตะ วนคือกิเลสกรรมวัตฏะบนคือกรรมวิบากวัตฏะวนคือวิบากผลของกรรมอันหมายความว่ากิเลสก็เป็นเหตุให้ทำกรรมกิเลสจึงเป็นเหตุกรรมจึงเป็นผล ของกิเลสและกรรมนั่นเองก็เป็นตัวเหตุให้เกิดวิบากคือผลกรรมจึงเป็นเหตุวิบากจึงเป็นผลและวิบากนั่นเองก็เป็นตัวเหตุก่อกิเลสขึ้นอีกเมื่อเป็นดังนี้ วิบากนั้นก็เป็นเหตุกิเลสก็เป็นผลของวิบากและกิเลสก็เป็นเหตุให้กระทํากรรมกิเลสก็เป em ็นเหตุกรรมก็เป็นผลของกิเลสและกรรมนั่นเองก็เป็นเหตุส่งวิบากเมื่อเป็นดังนี้กิเลสก็กลับเป็นเหตุวิบากก็เป็นผล เวิบากคือผลนั้นก็กลับเป็นเหตุก่อให้เกิดกิเลสขึ้นอีกเพราะฉะนั้นกิเลสกรรมวิบากจึงวนอยู่ดังนี้ก็โดยที่บุคคลนี้เองหรือจิตนี้เองที่วนอยู่ในกิเลสกรรมวิบาก แล้วก็กลับเป็นเหตุก่อกิเลสกิเลสก็ก่อ ก, ก, กรรมกรรมก็ก่อวิบากวิบากก่อก่อกิเลสเพราะฉะนั้นสัตว์บุคคลจึงวนอยู่ในกิเลสกรรมวิบากทั้งสามนี้นี้เป็นวั ต, ตะวั ต, ตะคือความวนนี้ ก็วนอยู่ในปัจจุบันนี้นี่เองและวนอยู่เรื่อยไปในอดีตก็วนมาดังนี้ในปัจจุบันก็วนมาดังนี้ในอนาคตก็จะวนต่อไปดังนี้เพราะฉะนั้นวัตฏะคือความวนนี้ จึงบนอยู่ในกิเลสกรรมวิบากหรือในกงของกิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากนี้เป็นกรรมเมื่อเทียบกับล่อจะเป็นล้อเกวีนรถก็ตาม ซึ่งประกอบด้วยกงประกอบด้วยกรรมก็มีอยู่สามกรรมก็คือกิเลสกรรมวิบัติปิดประกอบอยู่ในกรงอันเป็นวงกลมวัฏะคือความวนก็วนเปวงกลมอยู่ดังนี้พิจารณาดูความเป็นไปของจิตในปัจจุบันก็จะพึ่งเห็นได้ มวัวโควอยู่ในสามอย่างนี้เป็นต้นวา่าเกิดตัณหาขึ้นในรูปตัณหานั้นก็เป็นกรรมตัณหานั้นก็เป็นกิเลสก็เป็นเหตุให้ประกอบกรรมคือจงใจที่จะดูรูป และเมื่อเป็นกรรมคือประกอบการดูรูปเช็นผลขวายไปดูมองดูดังนี้ก็เป็นกรรมก็ได้วิบากคือผลคือเห็นรูปที่จงใจจะดูด้วยรูปรตัญหาการเห็นรูป นี่เป็นบิตา ค, คือผลผลของกรรมคือการที่จงใจดูและเมื่อเห็นรูปรูปที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจก็ก่อให้เกิดรูปรตัญหายิ่งขึ้นไปอีกรูปรตัญหานั้นก็เป็นเหตุให้ประกอบกรรมคือการดูยิ่งขึ้นไปอีก ดูก็เห็นซึ่งเป็นผลรูปทินารักใคร่ปรารถนาพอใจก็ก่อให้เกิดรูปปัญหายิ่งขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นทุกๆอย่างในปัจจุบันนี้จิตของสรรพสัตว์คือจิตที่ยังมีความข้องความเกี่ยวมีสัญยอต์คือความผูกพัน ก็วนอยู่ในกิเลสกรรมวิบากทั้งสามนี้ตลอดเวลาไม่ออกไปนอกจากวงแห่งกิเลสกรรมวิบากทั้งสามนี้ก็เป็นไปอยู่ดังนี้และเมื่อว่าถึงวงกว้างคือ เกิดแก่ตายในชาติหนึ่งชาติหนึ่งเกิดคือชาติก็เป็นตัววิบากคือผลของกิเลสที่เป็นมาแต่อดีตก็คือตัณหานั่นเองยกตัณหาขึ้นเป็นประทาน แต่ที่ท่านอนธิบายนั้นท่านมักอธิบายว่าอวิชชาตันหาอุปาทานกรรม